วันนี้เป็นวันอุโบสถที่พวกเราฟังพระปฏิโมกตจบลงสักครูนี้ก็เป็นการทบทวนสินของพวกเราสิน227ข้อแต่พูดเป็นภาษาบาลีแต่ว่าการแปลที่พวกเราจะเข้าใจผมก็เคยพูดหลายครั้งดูในพระปฏิโมกแปล เราจะรู้ได้ว่าสัพแพนมีความหมายว่าอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ควรจะศึกษาเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นสิลธของพวกเราที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระปฏิโมกขึ้นมาเนี่ยมันอยากให้สดพระปฏิโมกขึ้นมากับเพราะอะไรก็เพราะอยากให้พระสงค์ไม่ให้ปล่อยปละละเลยในสิทธของตอนเองคือกฎระเบียบของตอนเอง พระพุทยาบัญญัาิให้ทบทวนทุกสิบห้าวันขนาดนี้พวกเราคิดดูกันแล้วกันสินของพระโดยมากจะไม่ครบจะด้ยซ้ำไปที่พรักษาสินสองร้ยยี่สิบเจ็ดบางคนบางท่านอาจจะไม่ถึงจะเลยซ้ำไปขาดตกบกพร่องมากน้อยบ้างมากบัางน้อยบ้างอันนี้ผมว่ามันเป็นอย่างนั้น การให้บริสุทธิ์บริบูรณนั้นทั้ง227ข้อนั้นคงจะยากแต่บางคนเขาถืออัตราหรือถือที่กิของตนเองมันเข้าไปจุดนั้นก็ไม่จำเป็นจุดนี้ก็ไม่สาคัญไม่น่าไม่จำเป็นสาคัญแต่ในทั้งครั้งนี้ไม่สาคัญคืออัตราตัวตนเข้าไป บริหารไปจัดการไปชี้นําไปตัดสินเองโดยมากเป็นลักษณะอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยจุดนั้นก็ไม่จาเป็นจุดที่ก็ไม่สาคัญก็เลยหาความสําคัญในตนเองไม่ได้เลยกินข้าวเรีแกง้อนก็ไม่สําคัญเพราะถาดฐานเกิดมาแล้วก็ต้องกินต้องอยู่นะมันก็เลยไม่สําคัญทั้งหมดทีพวกนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้อย่างไร ในเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วทุกสิกขาบทพวกเราต้องเคารพต้องให้ความสําคัญต้องเคารพในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นพระพุทธพวกเราจึงได้สวดพระปฏิโมกติที่พระพุทธเจ้าวาง เ, เอาไว้แต่ตามไม่จริงที่พระพุทธเจ้าให้สวดพระปฏิโมกติบางคนก็พูดขึ้นมาอีกบ่างพวกเราเป็นคนไทยเป็นคน เรา้ามากเราจะพูดภาษาบาลีได้ยังไงฟังภาษาบาลีได้ยังไงอันนี้มีทางออกของจิเลสทั้งนั้นความออกของการเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแต่ตาไม่กินถ้าสิิษย์หนาไม่รู้ก็ควรจะศึกษาให้รู้มีช่องทางที่จะให้รู้มีอยู่เว้นเสียต่ตัวเองไม่อยากจะรู้ไม่นจะจะฟังไม่อยากจะศึกษาอันนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไปแล้วบอกไปแล้วถ้าพิชุไม่รู้ก็ควรที่ศึกษาให้รู้แต่ถ้าทำทำท่าจะไม่รู้อีกท่านว่าปรัทโทษแก่พระองกนั้นนี่หรอกเหมือนกันในึกดคำบทวินหนที่พวกเราได้สวดได้ฟังจบลงสักครูนี้ก็เป็นการพบทวนศีลเพราะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญพาษาลกให้ความสาคัญ พระสง์สาวกครูบาอาา ร, ารให้ความสําคัญจะไปปล่อยปลาละเลยเวลาด้หนึ่งศีลพระปฏิโมกข์ในเมื่อได้เวลาได้เวลาก็ต้องลงต้องฟังเพื่อให้เข้าใจเพื่อได้ศึกษาเพื่อจะได้ทบทวนทางพระไม่มีศีลพระขาดศีลพระไม่มีศีลเพระพเาะผูได้ย่อท่านัดเอาไว้แล้วเป็นพระบาลี ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นนะเป็นนั้นว่าศีลของพระพุทธเจ้าลูกวินัยที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้มีความหมายมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพระสงฆ์ถ้าว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นถ้าว่าขาดศีลและวินัยศีลและวินัยหมดไม่มี เมื่ อ, อไรเมื่อั้ศาสนาของพุทธก็หมดโดยปริยายเพราะเหตุไรพระุ่มการเกง่งซะพระไม่เคารพวินยัยซะเหมือนกับฆราวาสฆราวาส ท, ทำอย่างไรพระก็ทำอย่างนั้นศาสนาจะเป็นอยู่ได้อย่างไรก็หมดพราะพระพุทธเจา้า้ตรดัดไว้ถูกต้องผู้ที่จะรักษาศีรษะวินยัยผู้รักษาพระศาสนาผู้จะรักษา ศาสนาผู้ดํารงสงศาสนาของเราตถาคตไม่มีใครอื่นไกรผู้ที่จะทําให้ศาสนาของเราจตถาคตเสื่อมก็ไม่มีใครอื่นไกลคือพุทธบริษัทสีพิชุตสามะเลกุบาสุกุบาสิกานี่แหละผู้ที่ทาให้ศาสนาของเราตถาคตเสื่อมแต่ผู้จะทําให้ศาสนาตถาคตเจริญยิ่งจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป สืบกันยาวนานต่อไปภายภาคหน้าขอพุทธบริษัทศีลคือพิสุทธ์าสามเณรอุบาสิกุบาสิกาที่แหลกก็เป็นอาวะของพุทธเจ้ามอบศาสนาไว้กับพุทธบริษัทศีลอย่างพวกเราท่านทั้งหายมอบความไว้บางใจมอบศาสน า, ามอบพุทธศาสน า, า, าให้แก่พวกเราข้าว่าอย่างาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าวรสาตยาบุตรพระพุทธชิ น, นรัต เป็นบทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามอบความไว้วางใจสําหรับให้รักษาพระพุทธศาสนาเพราะการพวกเราทุกท่านถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนสําคัญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้ามอบความไว้วางใจเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยศีลพระปฏิโมกขให้เคร่งครัดอยา่าไปมองเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้ศึกษา ให้เข้าใจถ้าว่าพวกเรารักษาสิ่งดีแล้วสิ่งเป็นพื้นฐานสิ่งเป็นเบื้องต้นสิ่งเป็นเครื่องประคับประคองสิ่งเป็นรั้วกัน้นสิ่งคือข้อห้ามห้ามไม่ให้ทำสิ่งไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าจะว่าไปถือสิ่ง ค, คือกฎระเบียบกฎหมายห้ามห้ามไม่ทำแต่เขาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาให้เข้าใจในสิ่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถ้าว่าสิ่งดีแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น แต่ จ, จริญรยิ่งขึ้นแต่ว่าสิลของเราต่บด้อยลสินของเราขาดตัวบุกพล้องแล้วจิตใจการกระทำของเราการกระทําของเราก็เสียหายการพูดของเราก็ทําให้เสียหายเป็นเครื่องเป็นมวลทินเข้ามาสู่จิตใจใจของเราของวงหมอกก็สิสิไม่ดีฐ า, านไม่ดีสิ่งไม่ดี เมื่อสิตใจเขาหมองมองแล้วสมาธิที่จะเกิดก็เกิดแต่ยากเพราะเหตุไรเพราะว่าการพูดการการะทำของเรานั้นผิดไม่ตั้งอยู่ด้วยดีไม่มีไม่ไม่ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรงของสิ่สิถ้าี่ฉสรุปไปแล้วก็คือพื้นฐานพื้นฐาน ที่จะปลูกบ้านขึ้นมาก็คือฐานฐานดีเราจะทําอะไรก็ตามตึกปลูกอาคารก็ดีสร้างถนนผนทางก็ดีจะทําอะไรก็ดีถ้าว่าฐานดีสิ่งที่จะปลูกสร้างคือนักฐาวนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพระที่มีสิ่ดีาการเป็นอยู่ก็มั่นคงทาที่จะเกิดขึ้นมาสู่จิตใจก็มั่นคง แต่ถ้าว่าสินของเราขาดตกบกพรองแล้วนั่นและทุกสินทุกอย่างก็ล่มสลายไปตามๆกันเพราะฉะนั้นสินเราจะมองข้ามไม่ได้ค่อยนประคับประคองหรือว่ารักษาตัวเองให้ดีที่สุดต่างองค์ต่างรักษาตัวเองเนีย่ยพูดท้งนี้ทั้งนั้นศินไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่วัดวาศาสานานไม่อยู่ในสกุลปีศาลาวิหาร ม่อยู่ไม่ใชอยู่กับใครๆอยู่กับตัวของพวกเราทุกท่นให้พวกเราทุกท่านเป็นผู้มีสิ่งให้มีสิ่งทิราราวะทํามีสิ่ดีแล้วธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาได้ง่ายเราจะนั่งภาวนาจิตใจก็โฉบได้ง่ายเมื่อจิตสฉบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะได้ง่าย เป็นตามลำดับขึ้นไปอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันองโบสดพวกเรารเขาได้ปฏิบัติเรียกว่าทำกิจกรรมลงโบสดทุกเดือนดับเดือนเพนทุกส5ห้าวันเดือนหนึ่งสองครั้งเป็นประจำมาในพวินัยของพระพระทุทธเจ้าพวกเราก็ททำกันจำมจสมมาตลอดโทษฆ่าถ้าไม่ลงโบสด พพุทธองก็ปรับเป็นอภัพบบับบทุกกฎแก่พิจสุที่ไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความใส่ใจในพระปฏิโมกก็ทำใหพระพุทธศาสนาเสื่อเสียอายุสั้นเข้าเพราะว่าเราไม่ได้ทบทวนดึงศีลถ้าพวกเรายังรักษาโคงเส้นโคงวายอยู่อย่างนี้พุทธศาสนาก็จะยุติดาว เป็นร่มโพร่มใสของอ น, นุชนรุ่นหลังต่อไปด้วนการเป็นพงราทุกท่านนะวันนี้เป็นวันโิธีสดกาเดกปดปารถคุณค่าของสินสินของกละเป็นยังไงส่วนธรรมอยู่ในจิตใจนั้นก็ให้พิจารณาว่าอยู่เสม อ, อ, อธรร ม, มนะนั่นก็คือความถูกต้องคือความเป็นธรรมเขีย้ตามความเป็นจริงเห็ยนในใจกางทุกขังอน้ตานะ เพราะด้า น, นเรื่องธรรมเนี่ยอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกๆท่านจะปฏิบัติอย่างไงถึงจะให้ทำอยู่ในใจของเรารู้แ จ, งจ้งเย็นเก่งจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุกพ้นไม่มาเรียนว่ายสายเกิดอีกในวัฏจักรสงสารถ้าเราปฏิบัติตามแนวแถวของพวกปุถุเจ้าแล้วมีโอกาสมีหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลที่ผ่านได้อย่างที่องค์หลวงตาท่านเต ม, มัน มาแสดงธรรมให้แก่พวกเราฟังเมื่อไม่กี่วันมาแล้ท่านก็ยืนยันอย่างเด็เดี่ยวียืนยันอย่างมั่นใจว่าท่านได้รู้แจ้งถึงจริงเมื่อไรแต่บางคนก็บอกวอาลุ้งตาอวดหัวาทางว่าถ้าไม่จริงท้าไม่ทันไม่พูดยุคนี้สมัยนี้คนที่จะพูดถึงมากคน บางทีพูดก็ามามีแตบว่ปฏิบัติกันไปอย่างนั้นมรรคผลที่ผ่านหมดแล้วหดการหมดสมัยแล้วโดยมากจะได้ยินอย่างนั้นขึ้นมาหนาวหรือเป็นเลนเลยแต่ตอนอยุนี้สมัยนี้ผู้ท่านๆปฏิบัติีปิบัติชอบยังคงล้งตามท่านยืนยันเลยยืนยันให้ฟังเลยว่ามรรคผลที่ผ่านยังคงชื่นคงวาหนาแน่นอยู่ถ้าว่ามีผู้ปฏิบัติ แต่ว่าไม่มีผู้ปฏิบัติเท่านั้นนะว่าคนให้ผ่านหมดเหมือนกับทรัพย์สมบัติมีอยู่ในโลกไม่ไปที่ไหนกันมีอยู่เหมือนความทรัพย์สมบัติมีอยู่ในโลกแต่ถ้าบอกคนที่เกียรติหาทรัพย์ก็บอกว่าทรัพย์ไม่มีทักหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะอยู่จะกินแล้วเพราะมันหมดแต่ถ้าคุณมีคนข ย, ยันคนขยันหาทรัพย์รู้จะใช้วิธีในการหาทรัพย์ ทรัพก็ยังมีบริบูรณ์อยู่ในโลกไม่ไปที่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าบอกคนโง่ที่อย่างเดียวก็หาทัพไป่ได้หาทรรไม่ได้ถ้าคนฉลาดแล้วมีปัญญาแล้วหาทรรกว่าได้หาโลกหาทรัพย์สมบัติก็หาได้หาคุณงามความดีกว่าหาได้แต่นับเป็นคนโง่ที่อย่างแต่เป็นคนโง่แล้วหาได้แต่ความชั่ว สิ่งที่ควาดีหาไม่เจอแต่ถ้าความชั่วมีเท่าไหร่ติดหมดหาได้ง่ายที่สุดแต่ตัวเองก็ไม่รู้จักสิ่งดีด้วยสิ่งชั่วด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองไม่ไม่มีปัญญามีปัญญาพอรู้จักว่าสิ่งนี้ชั่วด้วสิ่งนี้ดีแต่ถ้าว่าผู้มีปัญญาแล้วรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วจีิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนที่เป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็นพระธรรมรู้ เพราะว่าเรายึดแนวแถวมาทําคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเรามาเป็นเครื่องวัดมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นเชิงบรรทัดที่ให้พวกเราก้าวเดินเราจะรู้ได้ถ้าเราศึกษาธรรมะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาแล้วไม่รู้จักกระทั่งความดีและความชั่วบางคนเขาบอกว่าข้ามแนวแถวไม่ได้ทําความชั่วเสียหายอะไร นายพระเจ้าทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ mm hmm. ก็ไม่เห็นทำความชั่วที่ตรงไหนอย่างไรถ้าจะว่าไปแล้วคือเขาเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาความดีและความชั่วความชั่วและความดีนั่นคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าเลยว่าความดีความชั่วนี้เกิดมาจากไหนกายกรรมการกระทำทางกายวิญญากรรม ความชั่วเกิดมาทางความพูดคือคำพูดคือคือว่าจี่ความชั่วเกิดมาทางใจ ใ, ใจมีความคิดถ้าคิดโลกจะได้ของเขาคิดพยาบาทของตองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำรองทองทำนิวาบาปปนคุณโทษมีไม่มีละละะนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูงแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นมโนกรรมเป็นการเข้าใจผิดแล้ว เป็นหนทางที่มืดบอดอะจะทําำยังไงจึงจะรู้จึงจะเข้าใจการกระทําก็เหมือนกันฆ่าสัตว์จะฆ่ายุงฆ่าลิือะไรก็ตามอันนี้คือคือการกระทําทางผิดแหละฆ่าสัตว์ลักทัพย์ขโมยทรัพย์ของคนอื่นก็ะพฤตผิดในการดื่มสุราอันนี้เลคือการกระทําทางกายส่วนวายจ้าในกาพูดเท็จพูดส่เสียพูดคําหยาบพูดโกหก อันนี้คือการกระทำทางวาจาเป็นการกระทำเพราะนั้นการทำกรรมทำได้สามทางการกระทวิจีกรรมนโมโนกรรมเราจะปกป้องรักษาไม่คิดไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมถ้าจิตใจยังมีกิเลสอยู่รับรองไม่ได้ ใ, ใครจะเป็นคนเที่ยงตรงจะไม่คิดไปในทางที่ชั่วนะั้นคงไม่มี ไม่มีในโลกก็พูดเช่นั้นเป็นเสียเตนเป็นพระอระหรันต์ถ้าเป็นพระอระหรอันต์อื่นท่านกายกรรมของท่านวิจิกรรมของท่านมโนกรรมของท่านรับรองเลยว่าถึงท่านจะคิดไปก็ไม่มีเจตนาที่จะทําให้เสียหายแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วครับรองไม่ได้รับรองในการคิดในการพูดในการกระทำว่มมามันเป็นอกุศลโดยมากมันเป็ น, นอกุศลอกุศล ผสมประสานกันอยู่ตลอดทัาวันเพราะนั้นเราจะคิดว่าเราจะไม่ทํากรรมชั่วนั้นอ น, นั้นแปลว่าคนไม่รู้ว่ากรรมชั่วนั้นคืออะไรกรรดีนั้นคืออะไรแยกไม่ออกเพราะไม่ได้ศึกษาถ้าได้ศึกษาแล้วจะรู้ได้ว่ากรรมชั่วนั้นกับกรรดีนั้นคืออะไรเพราะดันั้นให้พวกเราทุกท่านนะถ้าเราเป็นพระเนเราก็พอจะรู้ได้ว่าเทา ควจะทํำยังไงเราเป็นพระเราควรจะทําตัวยังไงเราเป็นพระเราควรจะคิดอย่างไรเราเป็นพระเราควรจะพูดยังไงอ น, นี่จะคือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในกายวาิญญาณใจของตนเองถ้าเป็นคระวัดแย่โจมแล้วก็อย่างว่าเหมือนกันเรืจิตเหตุร า, าโทสะโมหะโลกโกรธม พวกเราพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรผลที่ถูกต้งเนี่ยโลกมันเป็นยังไงโลกยาภไพของเขาเป็นยังไงเหยียดบังของเขาเป็นยังไงโทรศะเป็นยังไง ร, ราคาเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นก็คือถ้าจะว่าไปแล้วทั้งกิเลสราคาทั้งกิเลสโทรศะ มันยิ่งกว่ายาเสพติดซะอีกยาเสพติดถ้าเราพิจารณาดูแล้วมันยังอยู่ในระดับปลอมถ้าเราเสพติดในโลกนี้รุ่มหลงกิเลสโดยกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหก็ดีถ้าเราพิจารณานโดยธรรมเอาธรรมเข้ามาวัดโดยเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาวัดเอาธรรมะของพระอรหานเข้ามาวัดมาเป็นกระจกเราแล้วปุถุชนทั้งหลายแหล่ติดในโลก ยิ่งกว่ายาเสพติทีอ้าว่าเอา้าเป็นคระวัดการเป็นอยู่เรื่องการมะละาลาภัยการมาขุนการมาขุนและการมาเกลียดจะไหมถ้าเราพูดเปิดเผยเอาอะไรออกมาแ่คนทั้งหลายก็บบจะบอกว่าคงจะจุปากว่อย่าพูดเพราะมันพู้เสพติดมันมากถ้าพูดก็ไปเสียหาย เดี๋ยวเขาจะปะนามองสรุปแล้วก็คือผู้ที่คนพูดออกไปนั้นคนที่มีเสษติดนั้นมันมากกว่าเขาจะโล่มาคนที่ที่พูดขึ้นมาเพราะท่านพูดไปได้ผู้เศษติดมันมากกว่าลักษณะอย่างนั้นถานลองคิดดูให้ดีกันแล้วกันถ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาไปจับไปรางวัดแล้วจะเป็นลักษณะอย่างไรจิเหตราคากันยังไง ถึงจุดจบคงไปยังไงที่รทโทษาก็เหมือนกันเป็นอย่างไงมันยิ่งกว่าอย่าเสียพติดีเพราะฉะนั้นโลกถึงถอนตัวได้ขึ้นไดอย่างอย่างมีแต่ปะนาคาหนึ่งท่านปฏิบัตินีปฏิบัติชอบแล้วชำนาจใจของท่านใดแล้วท่านไม่มาเกี่ยวโรคอีกพระตดโดยเด็ดขาดตัดการมั ก, กเกลี่ยตัวไดขาดเพระาะพูได้จางไว่อกามมักคุนท่านให้เกิดกามกคุนทุนคุณของกรรม พวกเราเกิดมาจากตามเกิดมาจะเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาได้ปรอกพูปฏิบัติธรรมการพูดเนี่ยเนี่ยของคุณแต่เนี่ยของทรดของพุทธเจ้าพูดแต่พูดไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยเพราะอาจจะเป็นคนรุ่นหลังพูดออกมาแต่บุคูบาอาจารย์พูดออกม า, า, า, ออกมารุ่นหลังก็ได้ถ้าพูดออกมาอย่างรุนแรงก็คงจะเสียเสียชุมชนสังคมเพราะงั้นเสียมนุษยชาติที่เกิดมาแต่ตามไม่ยิน มันโทษจะมากกว่าชีที่เราเกิดมานะคือเรื่องโทษเกิดมาเป็นโทษโทษยังไงก็เกิดมาแล้วเป็นยังไงไมีแต่เรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าจะบอกไม่เกิดดีที่สุดต่วันนี้ก็เห็น ม, มาพูดยาวพอจงควรขอยุดติเพียนจะเป็นต่อไปถ้สวดท้ายปฏิโมุก